<laughs> ... คื่เจ้ามันในเอาไว้เรื่องการเบียดตรงนี้ครับอนนี้อยากบิดามันาไม่อย่างนั้นจะเียดให้ เตือนนะดังๆอ่อยๆอ่อยๆหมายถึเ่งาห ราชกุมารมาขอาราชสัจพระเจ้าจเจ้าเถ้าถินนี้คนหนึ่งหลังอยากจหงหัว่าะหิ้งเป็นปษตริความเพียงใจของคนเ ต, า ต, าต้าไปนึงเลริญไม่อยากจะมาเข้าแต่ไปจากเวรจะกเวรครองคัวที่ยากกำบากเอคนทะเลาะกัมีป็นความเสกความสามา ข <ừ>, ้างตัวตึกวัะนโดยนหบเป็นออสเนอายุเพียงขวบแต่องงที่มาถึงเรของาหอาจจะนอัคือักยาบัของทงระเทดังิน ตายไปจะตาจากนะขออะไรนั้นเลยนี่ปัญหาอะไรตายไปก็อะไรอะไรติดเมือตงตัวไปอีกัวเองเช่อมิติางเน่ยร้่องขอภราับเป็นตัวติดอะไรหน่อรรยาับให้ภรรยาับหมายถึงศรัทธาตื่นาขะมีอุปต ติตะปัญญาญาภาคปัญญามีอริยสัพพะสักพายในสัพพอริยเ้าสัพเพนี้เป็นสัพพิไปเศวตเป็นสัพพีวิเศวตเออนกระโลนอกอริยสัพพายในพระสารีบุตรนันไปเบียดเป็นสามมณีถ้าเบียแล้วถึงทราบถึงกินภาถึงเป็นอคายายา แล้วก็อราบถึงให้่อตาให้จะดจีไให้จอนี่อย่าหลังเลื อ, เอเดเจ็บทรวนอกนะไม่อยากจะห้ลางเลือดแต่แม่ดูไม่อีกก็ใจถ้าเสียปากจมัตท้งสองนี้นาานานนตาหนังสือทงตันวาสาสมาหรือว่าจะเป็นจักรพรรดินะ ดูงานพระก็ดีแต่ฮะจะเป็นอนุจะกรพับไม่ใเป็นสกัดรับเป็นที่อย่างพุทธเจ้าพะพุทธเจ้าเป็นสกัดพับเป็นที่แผ่นหยาดในทาส่จะเป็นสกัพับเนที่จะเป็นใหญ่ในโลกในรูลในโลกคือจะเป็นหนูหนึ่จะเป็นไม่ใช่เป็นยนเอะเอมในประเศเอะในโลก ตลอดถึงหกเทวดายินแยงเดินรักจัาานนะเครับารวานาคุดธรรมาดาของพระเจาา้าจักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจมากไตักิจเวไปแต่พรานันทะเปิดให่เป็นมากันหน่หนหกก็ไปชอบหยิ่ ง, ค น, นนงคนหนึ่ง เครื่องระะเป็นบยาตี่หญิงคนนี้ต่อธีระเสียงเงี้นะนมในมืีจะหนี้หนเลยไปกขอขอแต่งงานกาแต่งงานคนจับจนหาเหน่ได้ย่างบานใจก็ไม่าเาะสานันุ่มีแต่คนจะเคยสอยาาน แต่งานก็หาความมาฉันบากปกตินี่ก็เมื่อเขาไปเจ้าดเบียดแล้วกรเดดมาถึงแล้วก็เชื่อเป็นรูของตัวก็อนเงินฉันต่างฉันในตลาดใบบางในที่คือ เขาเราเเรอ ก็เป oui. <Oui. S 1> ็นอินทรีย์แบบพอไถึงรับก็อยากจะตักนะแล้วที่ไปเจเลยตัดตั่งใน้าเบือไมทางในข้าเ็น้าบุตรไทยยังไงไทยจะมาเบื่อกัดแรงใจตัวเองท่านแตรับทำมาเบือเบื่อเลยโกนขนนี่เห็นกันใช่ไครับเรี่องไเลยดัง มาถึงหลักวังกระจายเัวท่ะเียพระไทยมากราหินเหลือไปเลยสั่งเวลาอง้ถ้าไปเหลืออีกก็ในนี้ใครที่จะเป็นสุดๆโดตะกลเสียพระไทยไปไปหาไปก็ตั้าห้าบุกคนจะมาเหลือในสาวนะแต่ได้วยวอันนี้ยากจะมีดายนานาเชก่อน ปฏิดาในดาเป็นผู้อย่างดีนะตำแหนรับอันนี้ยากิาดายงดาืนเือดาก็ีที่จมาตบรรติ่งการบ่บต่งรับอันนี้ยาก่เก่อนเที่ีแนึงเป็นเรื่องบรรติเป็นบรรติ ก็เกยบรรดาดเด้วยเนาะตลอดไปทางที่ยังนี้การเดือดถามอัป็รยึดแต่ทำจงมรงอยู่ไหมทำเสียหนะาการเกียงการเดือดการไปทางการดีจะสังเสียหรือไม่ก่อนจะตั้หาอะไรเหมีอนั้งต่เราตั้งเชื่อจะเลยบอกใครต่อตาม ไปทำเชื่อในสถานที่ใดเวลาใดเช่วไปจะเปินเชื่ออยู่แตเนื้อใจการไปทาดีประทนเดีย ว, วต่ากเพราะว่าตจอจเลยวต่างเสียพระยากพธเองค์พระดีดานรดาทั้งท่งออกไปในเวลาค่ำคืนนอกจากนั้นญาติเนื้เพื่อไปแต่มีความเป็นรักษาดีในพระอง์ไม่อยากจะให้ใจอย่างนั้นเดียพระไทย ในวันยากใยินดีเลื่อนไส่ในเป็นใจแต่สึ่งหดเราจะดีให้เองตั้งพระภัยจะไปสร้างความดีในใจเองเองเมื่อตายแล้วก็พยายามทำขึ้นใหญ่ี่จะเป็นทางดีเสียทางสักระุส่วนตนจะศึกษากับดาบวกทั้งสอง่วนสมัยนี้โรกเกี่วไปนับถือว่าผ่านทั้งสองเป็นพระอรหันต์อรหัง อะไรได้เอ่ก็้ทั้งสงคนนี้เป็นจเปลี่ยนใจทธาเขาศราชนด็กเองไปศึกษาเชิญสมเด็จยุติาของอาจารย์ทั้งสององก็เป็นเศรษีมีพระไทยหนกแ็นษีมปีชเนยเขียบแหลมที่ง่ายใล้ใส่ทางสเพงออก อาจารย์ก็เสียใจอยากจะให้เป็นตัปนอาจารย์นั้นนั่นแสนติดจิตใจไม่ติดต่อไปเพราะเห็นว่าจิตคนนี้ชราหน้าอายันเดือดย่ไปจะเกิดาเปลียนความเู้กับชีวิตอย่างหน้ทางแต่ครูจนกระทั่งถึงเดือนอาสามเดือนยี่สิบสเป็นหน้ามือวันที่นก็เออเดือ เป็นตะข่านรั้นตะชารเป็นระยะเยวลาหกสี่ความความผักความเคลื่นไปหลายเหลายเหรียญหลยายสิ่งไราากสีมีทางสงสัยวก็เป็นไปเอทางตะชารว่าตรแล้ ว, ลวเป็นเสด็จ ร, รงงจะหยัดทลงของพระอง์ทุกคนในว่าสมัยพุทธกทาลหรือสมัยปัจจุบันทาจิตใจของพวกเหานั้นยังมีี่เล ปัญหายังไม่เป็นพารียาเจ้าถึงจะมีศรัทธาเลื่อมใสเต็นใจในศาสนาแต่ก็ยังขล้องชิดสุดพันกับลูกเป็สนส่วนใดความห่วงลูกรักลูกั้งเตวิรักมากรักต่อสิ่งอื่นเพื่อไปสันตุราณจิตปิตะสมังเตมันความรักอืน่นเป็นนื้องดวยรักบุจหนึ่มีรักดุจนี้ ร, น ร, นนรักมากจิตมือดุ รือสแ๊เนี่ยถึงจะเสียเขาของิทองไปขนาดไหนถ้าหากเราเบียดของตัวหายจากเกลือไข้หรือหายจากอะไรที่ในชอบใจพอใจเรื่องจเชื่อจะเสียขนาดไหนถ้จัไปก็ัประกันให้ไหลนาเรือเสือเขาของงินทงไม่มีแต่กู้ยืมคนอื่นนี่คือการรักเรื่องักเบียาันด ในศาสนาจะทนางเดียวกันในใจในคอใจถึงเขาจะมีสัทธาเรื่องใสในศาสนาอยู่ความใจคอใจดูแต่มีน้อยเป็นที่แล้วคอยจะมีฟังแสดงการเหลือในศาสนาโดยคนใดเด็กคนใดลูกคนใดผู้เชื่อโดยเจตระแล้วก็เชื่อฟังบิดานดาด้วยในอย่างนั้นเรียนอะไรเป็นเอาทานให้ ในเชงพอที่จะได้ตัา้งงาน ด, ด, ดีให้คนเช่นนั้นเนี้ยไม่อยากจะมาฝากฝังคืออาจารย์สอนให้มาบวดในศาสนาเขาคุดว่าเรื่องของศาสนาเป็นถังขยะเจ็ดเมียนคนเชื่อคนเสียเอาไวแต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนั้นท่านเป็นสื่ดีเยเ่ยมอริยงสาววสมัยพระพุทธกานเนื้อกัน ในใจคนที่โอกในป่าถนางเง่อไปออกมาบวกโลกเขาป่าธนาโลกเขาเห็นว่าเป็นผูอดียี่เหยดอยู่ในสิ่งควรจะเขาไปสื่อวัดวาศาสานาเขาถือว่าวัดวาศาสานาเป็นหน้าที่ของคนเฒ่าคนแก่เป็นหน้าที่ของคอ น, ค น, น, น, ค น, คนไม่มีสติปัญญาหากิ้หใดคอปากคอท้องเขาไปอาศัยอย่งางของศาสนา เขาพูดกันเพียงแคะนั้นใที่พูดคำแบบการเมียดในศาสนาพระพุทธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นข้ดียิ่เปิดอะไรโดยเต็ดใจใสใจไป็นงเสีขนาดนั้นความอยากได้บุญอยากได้อยากได้ยู่แต่จะเสียตลลูเสียสลายากเข้าของเงินทองพอเสียตลาได้แต่ลูกลูเสลเสียสลายากจริงๆทางเป็กิรรั เาขาชอบใจเขาเหลือ่อมใจเขายินดีจริงจังฉะนั้นลูกของพวกคนที่ดีมีสติปัญญาเขาถึงเหว่งแหงไม่อยากจะให้เขาวัดเขาว่าถ้าเดือไม่ศาสนาคิดคิดอย่างนั้นก็มีอีกหนึ่งวัยรุ่นของตอนนั้นไปเรือมแล้วจะไม่ทำประโยชน์ อ, อะไรจิตใจจะไมเะตตะ่เต็นไปในทางต่อสู้ปฏิบัติอยู่ต็มแจ อยู่ในวัดในลาได้แต่ไม่มีธรรมะธรรมโออะไรนะแมสอนวิญนาณบารนอกจากนั้นเกลีอจะอยู่ไม่ได้เกลียดหลาพลออกไปจะเสียการเสียงานในพัเขาความค่อยใจแบบนี้ตนมีแต่ความค่อยใจแบบนี้ดูใจมีส่วนน้อยถือหงเหงเอาไว้โด้ไม่คิดหาเหตุผลอะไรเป็นส่วนแบบแต่ความพียนการเหนือเป็นการเสียสลัดใหญ่โตไม่ใช่ ของเล็กน้อยเื่เอเวี่ยงิงจังจะยอมเสียสละกเสียสลากทุกอย่างที่โลกเขาต้องการที่โลกเขาส้องละเสริมที่โลก เ, เขาชอบโลกเขายินดีความยิงคนหวดจะออกมาจากคาราวาที่เลือปัญหม า, มมามีเพียงพอบริเวณนู้นกันในใจว่คนคนนั้น หมดพิเลดแล้วค้ณค่อยไปบวชมีพิเลดนี้ก็้าอยู่บ้านอยู่เป็นฆราว่าก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นเขาจะมมีสมบัติพัฒสถานในมีเลืกมีเงินไม่ใช่คนคนนั้นหมดหวังในทางฆราวาถ้าคนหมดหวังอย่างนั้นเข้ามาบวชไม่ต้องไเอาฐานอะไรกินแล้วก <con> <forth> ็นอนไปอาศัยเพื่อองการบวชเท่านั้น แต่พวกผู้หยสมัยศิทธาการอย่างยักษ์ปีระหยดจเป็นเจ็ดผีเขาคือตั้งเจ้ากัจตาสัตว์พระมหาสกิณากับจงตาสัตว์รถะอนี่ยพวกตาสัตเหล่านี้เราจะควรต่ำชาลามกพหลวดโมฆะกับ็งผู้ที่มีตระกูลดีตรคุณลเด่นคนตระคูลต่า มีจจุน้อยเพราะคนตกลิ่งต่ำบางคนมีปัญญาที่จะมาเห็นทึกเห็นแต่สน่ห์เพลินในกามาารมณ์ต่างๆตัวที่เข้ามาเบืยดเบียนในคารวาสเห็นแบบคารวาสยิ่งเยงลำบากลำพานนม้มีอะไรที่จะได้เป็นของของตัวควนเกิดมาในอดีอตเขาปต่อหลางสางตัวหาจิน้น เยอะมาเวลาก็ตายไปไนมาเหยก็บสวนเข่าขวงเงินทองก็ทิ่งเอาไ้ไม่มีใครได้ไปสักอันเดียวแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยหิวในการแสวงหาเมื่อไปเก็บเต็นพระก็ไม่มีอะไรที่จะอดอยากยากจนขนาดไหนขอส้ำคำคือเรื่องบังคับใจที่เกี่ยวกับเพศเป็นส่วนใหญ่ส่วนอาหารตามอยกินส่วนนิ่งเงิน สี่พักคาอาศัายยาแก้โรคไขยไข้เจ็เบมีจงพอเบาลิบมือภาหาสรเพี ด, ดีปฏิบัติชอบพอเตือนไปคิดว่าตารเมือกมีโอกาสเวลาในการจะภาวนาแก้ที่เละได้มากกว่าตามเป็นคารวะความคิเดเบื่อหน่ายในสมบัติพ่อสถานฉะนั้น พระสมัยพิทักษ์างท่านจึงหนแสวงหาไมว่าแสดงหาอะไรจึงเป็นเรือนทั้งโลกเพราท่านสมบูรณนคฝึกมาอย่างยาสากุญญบุตก็มีาสามหลังเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีบริษัทบริารลือกเงี้มากมายตายกองเบี้ยหน่อยจึงนอนหลับไหลเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีเล็ดที่ออกบวชของยาสากบุตเกิดนั้นท่านจึงเติม อิทานในตอนผีเสื้หญิงจำเริ่เมื่อนอนหลับพอไปดีไปเห็นเขามันไม่ชอบใจเพคนหลับบางคนกตนอนลืมตาบางคนกต่นอนอ้าปากบางคนกต่น้ำน้ำลายไหลออกจากปากบางคนตนอนไปอิรยาตแล้วยากขอคนมันมีถ่าความผดสบายก่อนมารักษาบางคนก็ เด่นเถาแล้วเมื่อไปตามเรื่องต่างๆานเห็นเถ่าผลตั้งแ่ในจิตในใจเหมือนตาช้าผีดึกคิดอย่างนั้นจิตใจตอง่นเบี้ยแน่จะมาหลงไหลทาไมเรามาหลงไหลอย่างนี้นานทีแล้วเข้าใจว่าเป็นของหยุดของดีเพราะจิตทในยึดเียวแค่นั้นทึกส่งทึกอย่างก็คล้อยางไปหมดนี่จะจะตั้งแงาประพฤ ภาวนาละชีเลแผ่นจิงนี้ออกจากราสฎรในการคืนเื่งกันกับพระพุทธเจ้ายสาว่ินแบุตนี่เป็นนพุทธการเหยียแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินองกรมภาวนาละชีเลม่ได้ตปสร้างสติเิหารไม่ได้ตปสร้างแต่ว่าเรล่ง้านต่างๆไม่ได้แสวงหาสนบัติธาตานอะไรอาศัยตามยินทบาเยี่นชีวิตไปเป็นวันๆแถวนั้น กดฉันก็ไมเดือดหนึ่งหวังว่าอันนั้นอร่อยอร่อยอันนั้นจะนิ่มอันนั้นเรียสามขอแต่ให้มันไม่ผิดโรคไข้ท้งตัียวขอแต่ให้เนพแต่ทางซีเยไปได้ทำความเทียนทางจิตทางใจสะดวกสบายเพ่อพอเพราะั้นท่านที่นี้ไปจึงไมไเข้าไปเมืองเมืองใหญ่ที่มีอาหารรสชาติดีมีขา้าปา อยู่ตามคนป่าธรรมดาคนป่ากูเขายินอะไรเขาก็ให้อนั้นตามเลืองของเขายุ่งสมัยพุทธการไม่เคยมีใครไปเนี้นนำสั่งสอนว่าทานของเลอดโดยคนเลิศทานต้องดีเลยผลนดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะถืองยาพระยินพระบาปเหมือนกันกับคนขอทานธรรมดาไม่ทิ้งว่าเรืนของประเสริฐยิเศริอะไรในสมัยหนึ่งสมัยของพุทธการ แต่นั้นลึงลำบากยากเย็นประคนจิตคนใจใครที่ไม่เลือ่อมใสไม่เห็นอจเห็นทำจะทนหน่อยเพราะเคยติดความสุขความสบายมาจากคาลวะออกจากสะกูลที่ดีมนีไปอยู่ป่าอยู่กับคนทุกข์ยากลำบากแต่ก็คนใจเขาพกดไเต่า ค, คมพระไทยฉันก็ไม่มีทายตันะ้งอะไรใส่ก็บาดได้เดียว น้ำก็ออาศัยบาตไปตักมาอาบมาฉันจนกับทั่งวันจับปริมิพานก็ยังมีภาชนะน้ำอันอื่นจะเห็นได้อย่างพระองค์ตรงกระหายชายพะอมนได้ตักน้ำต่อาบาตไปไปตักน้ำมาถอนยนี่แสดงว่าบาตรเป็นสี่รวมทั้งหมดเป็นน้ำก็อโยนั้น ภาชนะอาหารก็ดีนั้นหทำปฏิบัติตั้งแต่อดมากน้อยยินดีตามมีตามเกิดของตน <c oughs> จะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรู้อัดเห็นทำใจสงบสงัดจนละถอนจิตเลือดที่เคยจิดข้องเศร้ามองต่างๆ ตกไปขาดไปที่ยังไม่ตกไป่ขาดก็เห็นความสุขของใจมันไม่ได้ยิ้มวุ่ น, นอยากอันนั้นอยากอันนี้นอกจากอยากจะพ้นกิเลสเท่านั้นใจของผู้มุงมั่นอย่างนั้นจึงไม่มีภาระหน้าที่อะไรไม่ว่าอยู่สถ า, านที่ใดนี่จะกาหนดจิตดยใจท้องตัวสม่ำเสมอไปว่ามันคิบตรงนี้เป็นทางที่สะสมกิเลสหรเป็นทางละถอนกิเลส ที่ใ้ง่าอยู่นั้นแต่ละวันยอมได้อุบายต่างๆจับเรื่องของจิตจิติดตึงเข้าใจขนาดชัดเจนเลยไปจนใจถึงดีมุดที่สุดเรื่องของถาดของขันเข้าใจขนาดชัดเจนว่ามันจริงก่อนของทุกจนภาะชนจริง มีพาสิตหราลหาเรียเป็นจักรันทาขันจัง้าเป็ น, าาปนพาลหนันไม่ควรจะแบกจะหามต่อไปพบใหม่เราจะไม่มีอีกพอเห็นเรื่องของทุกในขันอยู่ทุกวันทุกเวลาจิตจิตจะไปยึดเกี่ยวกับเรื่องของขันแล้วหมดไปละถอนเรื่องขันได้ก็คือละถอนเรื่องที่เหลือไ ด, ด้ไม่เห็น รูปว่าเนตไม่เห็นตนว่าเป็นรูปไม่เห็นรูปว่ามีในตนไม่เห็นตนว่า ม, ม, ม, มีในรูปเรานาก็เหมุนกันสัญญาสังขนันนิยาขันทั้งห้าท่านรู้ท่านปจกักแต่เมื่อจิตเป็นเร้นรุ่งเหล่านี้นันก็ยังคงที่อยู่เพราะริงเหล่านี้มนใจกิเลสเป็นขันในาะหลงไหลไปตามเรือของขันเข้าใจขันเป็นขัน ความบริสุธ์เป็นบริสุทธิ์นี่คือท่านที่ตัง้งนาตั้งตาปฏิบัติ ร, รักษาจิตใจของท่านแต่เมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นความแก่ความเจ็บความตาย จ, จ, จ, จ, จะมีหรือไม่เพอเหตุใดเพราะชาตินี้แต่เมื่อแต่ดับไปแล้วจะไปที่ไหนเข้าใจในตัวเองเพราะหมดที่เหลืก็คือการถึงนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนพอจิตใจถึงความ หมดกิเลสไม่มีทางสงสัยว่าจะไปที่ไหนจึงจะเป็นนิพพานเพราะความดับกิเลสเนี่ยทันเร็วกว่านิพพานไม่ใช่เรื่องอื่นว่าจะไปสวรรค์สมมโลกนิพพานอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องของจิตขณะจิตจิตเป็นไปอย่างไรเข้าใจการละเรื่องกิเลสการตัดเรื่องกิเลสการประพื้น ต, ต, ต, ตัวดี ในสมัยก่อนทุกคนที่ออกบวชมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนั้นในใจตั้งใจว่าจะมาบวชพอจะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเพียงเป็นทิศเป็นฌานอะไรต่ออะไรไป ต, ตามเรื่องไม่ดีบวชฮาลาบยศสังรเระเสนทางโลกบวชหาความสุขทางใจอย่างไรใจเราจะเป็นสุขใจเราจะทนทุกข์นั่นแหละจุดมุ่งหมาย ของบวชทั่วไปฉะนั้นจึงอยู่ยะะยถยยยยสถานที่ใดในต้องรวมยุ่นวายทายนอกนี่จะจะละจะถอนกิเลสปัญหามันตอกมันติดมันเชิดมันตรงอะไรึจนจนไปทางโลกทางชั่วท่านจะพยายามแก้ไขด้วยสติเดียปัญญาของท่านเสมอไปเป็นจิตใจแก้ไขหมดสึ่งเหลืองของกิเลสเมือ่อใดท่านก็มีความสุขความสบายจะได้อยู่สถานที่ใด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 นี่คือการปฏิบัติอันปสงค์ของการปฏิบัติความอยากหมดสึ้นไปในความบริสุทธิ์ของท่านท่า น, นจึงสบายอยู่ทุกวันทุกเวลาอยู่ป่าอยู่เขาอดอยากขาดแคลนอะไรแต่ใจของท่า น, อ, น, น, น, น, นาอันนั้นมันไม่ได้ขาดแคลนไปหลางใจเจ็บป่วยอันนั้นมันเห่เจ็บป่วยไปจะได้สุขอยู่ตลอดเวลา เป็นอาศาลิโต่ตัวที่มุ่งหวังถึงความบริสุทธิ์มุ่งมุ่งังนั้นจึงหมามีการเกาะเกี่ยวตัพันกับเรื่องของโลกเขาจะส้งและเสรมโยนยอเป็นหน้าที่ของเขาเขาจะตั้งนิติชนดั่งไรเป็นหน้าที่ของเขาเราเป็นดั่งไรสรางหับอยภายในใจความดากแต่เขาสร้ละเสริมก็อนจมีความอยากให่เขานินทาก็อมีความดากจะไปยึพานตไปนี้ี มันเป็นวิชาพิจิตรเลยก็ไปถึงแล้วเห็นแล้วจะอยากอะไรอีกถ้าอยากก็จะยังมีหิวอยู่ถ้าหาจะไม่เห็นมันเห็นแล้วจะไปหาอะไรมันพอแล้วจะไปอยากอะไรนี่เชื่อใจถึงความบริสุทธิ์จึงไม่มีอะไรเป็นปัญหาสาหรับท่านเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่จะท่านอยากเรื่อยไปได้อะไรมากกว่ในพอภายในใจ มันจะมีการหิวเรื่อยไปถ้าใจขวางมีเหลือเฟือแต่นังก็ยากเพราะมันได้แก่ไขที่เกิดมาใจของตัวเองถี่เป็นคิดมันเหลงเหลื่องของใจเป็นทุกข์ไม่ใช่เรื่องอัื่นเรื่องกายมัไม่หลงนะหน้าที่ของมันเกิดมามันก็แกเรื่อยไปเราจะทําดีทํำชั่วมันแกเรื่อยไป จะทามันหลับมันนอนพันเย็นมันเดินอะไรมันโกเทเรื่อยไปจะทําการทํางานหลือไม่ทการทํางานมันโกเทเหม้นกันกับกลางวันกลางคืนหน้าที่ของมันเราจะทําความดีมันกกหน้าที่เหนื่อยมันก็หมดไปหมดไปอย่างนั้นความแก่ของธาตุของขันก็ทํานองเดียวกันมันเหนื่อยหลงไหลถึงเวลามันตายมันก็ตาย เป็นอย่างนั้นเด็กต้องขัดท้องขันผู้ที่เหนื่อยล้มลงเคื่อจิตของผู้ที่บริสุทธิื่นล้มลงในเพล่เพลนในมัวเมาในสิ่งเหล่านี้เข้าใจตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างใจของท่านจึงสบายเมื่อใจสบายแล้วทุกอย่างมันก็สบายไปถึงอย่างใจนั่นจะ ยอย่าไข่แ่ใจมันตัสบายมันเลมีอะไรอยากต่อไปความสุขความบริสุทธิ์ของใจใจะเห็นจะเป็นเฉพาะสดต่อเพื่อปฏิบัติถ้าเป็นว่าธรรมะเป็นทันที่กิโกเป็นปัจจิต่างหรือเห็นเดือดตัวเองเป็นของเฉพาะตัว พยามศึกษาพยายามปฏิบัติธรรมะจะไม่เป็นโมฆะสําหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแ <c oughs> ติตจิตเคยอ่อนก็จะแก่ขึ้นปัญญาจิตเคยอ่อนก็จะแก่ขึ้นกล้าขึ้นที่เหลือปัญหาที่เคยลบกวนก็จะค่อยหายหน้าหายตาไปตกไปใจจะบริสุทธิ์ใจจะสว่างสวัย ใจจะแยกยันเราเองที่นี่ที่เจรณาอย่างนั้นก็ไม่มีวันการบวชมันกบบวชแต่ใจเขราใจไม่บวชให้อยู่วัดอยู่ว่าใจแใต่ใส่ไปหาการงนานอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพระเป็นเมรุก็เป็นพระเป็นเมรุที่สกปกไม่ใช่พระตะอา แต่หาเกี่ยวอยู่ทุกแห่งทุกหนเห็นสื peas, ่อเห็นคนก็ชอบก็จิตก่จิตก็อปุงไปพระเน่าเงินเน่าพระแมลงวันหางตอมตูดตอมจีดูจิตใจไม่มีอาจไม่ทำมันเจนไปได้ถ้า ท่านในอย่างนั้นแวบออกไปเมื่อไรก็โทษตัวเองสงสารสังเวชว่าเพีไปเสพดื่มเพี้ทำไมใจถึงหลุงหลงมวเมาอย่างนี้นออออท ำ, จจมอมอมอำหนี้ตัวของตัวเสมอไปแก้ไขเรื่องของตัวไม่ว่าการนัง่งการเดนิน การนอนจะอยู่กับอัดกับทำนี่คือพระเหล่มเป็นพระเป็นสุปฏิปันโนเป็นอิสุยายะแต่ในรักษาจิตในรักษาใจของตนลอยลอยลมไปอยู่วัดได้แต่กายใจไม่อยู่ในวัดในวังไมอยู่ในเรื่องขงศาสนา เป็นโจเป็นมานต้นจะดมชาวบ้านเหื่อยไปเห็นใครก็ชอบติดติดตุ้งในเรื่องชั่วเรื่องเสือต่างๆถ้าแบบนั้นเนแบบนั้นเกลียเอียงกว่าตมีตัวในก่าจะคนอื่นก็จะหาความสงบหยุดยันในนี้แล้วยังโรกเคียงเรื่องราว ภายนอกเป็นข้องหยุดข้องดีกว่าอัธมของพระพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนจิตคิดตรงไปในี่เลสปัญหาจิตข่องเวลา่าต่างๆมันก็ไม่แตกอะไรกับสัต์สัตว์มันก็เป็นไปได้ทั้งทั้งิดิเขาไหมือนเคศึกษาเราเรียนจึ่งเหล่านี้มันมีแต่จำตั้านาลของสัตว์ทุกัดเที้ยมี้มปานะลมหายใจ มันเป็นไปได้ถ้าเราคิดเป็แบบนั้นมันก็เป็นผิดอะไรกันเดีว่าสังเวยเส้นว่าเขาเป็นสัตว์เราเป็นคนดีวิเศษดีวิเศษอะไรที่เหลือปัญหามันอันเดียวกันโลกเป็นหลงของมันอาจจะน้อยกว่ามนุษย์อีกสศรษม้ามันไม่เลยฮะเขื่อห้าหมอนที่ไหนมันก็นอนได้ข้าวมันก็เลยฮะภาชนะอะไรให้มันเยินจะยินแต่ย่างมันก็กินได้มันละก็ได้กว่าคน เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่คนเรา่ปตำหนิว่ามันชั่วกว่าเราไปเสียถ้าเรามีจิตจิตไปในทางชั่วมันชั่วยิ่งกลมหาพยายามรักษาพยายามดัดแปลงพยายามแก้ไขสติประคับประคองใจแนะสอนสม่ำเสมอใจดีเคยดื้อ ดึงต่างๆก็จะหดตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาเพราเราเขี่ยนแล้วตีอยู่เรื่อยยกตรงอะไรในทางเชือกทางเสียเราจะต้องดัดตัวทของตัวเหมือนมันยังฝ่าเขือนอยู่เนาะจะมันเหยียบอมเห็นมันฉันไม่ยอมเห็นมันนอนฝึกสอนมันทุกอย่างดัดมันจริงจังไม่อย่างนั้นมันต้องได้ไม่ได้นะ หลุกสรนที่เขาจะเอาไปยิงนกยิงสัตว์ต่างๆเขายังดัดจิตใจของเราไม่ดัดใจมันตรงไปให้มันดีดิเศษมันเป็นไปไได้เพราะมันเคยกคตเคยงอมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจะต้องดัดการดัดทางหามันแข็งวิธีดัดก็ต้องเผาไปเหมือนกับดัดเหล็กอะไรแบบเป็นไฟแต่ตีปัญญาเป็นตาต สำหรัเขาเนี e e? Tr ời, tr Men, ่ยถูกการเขามันก็อ่อนได้พยายามนึกคิดจารณาตัวเองอย่าไปิเรื่องคนอื่นแก้ตัวเองไม่ได้จะดีที่จะช่วยคนอื่นได้มากมาเท่าไรนั่นก็ในวิสัยจะเสดให้ขาหับตัวของตัวขอแก้ตัวเอง ฝึกตัวเองตัวดีแล้วไม่มีปัญหาจะสอนคอนอื่นหรือไม่สอนมันก็จะเป็นปัญหาอะไรเห็นไหมถ้าอนจารเป็นทันยะท่านสอนใครอยู่ในป่าแล้วก็ถือว่าเป็นสถาะของเราเพาะถังหงมดที่ เ, ท เ, เหลือท่านก็ได้กล่าไปในเส่นตำหนิวันนี้เข้าป่าไปทำประโยชน์แก่โลกคนที่หมดที่เหลือท่านก้าชมใชนะะแบกบ ครั world, world, ักปวดปวดถึงเขายังกเช่อเพราะไม่มีทางเสียตัวนี้อยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับอะไรถ้าองก็เชื่ออีกนี่เชื่อคนหมดี่เลสไปสถานที่ไหนทาอะไรหมดี่เลสเลื่อยไปไม่มีอะไรที่จะข้องจิตยิ่เดี่ยวข้องทั้งทั้งที่เราอย้างเด่นหน้าเต็นหลังอะไรนี่จะจะสอนคนอื่น แต่ก็เรียใมใช้ไมใได้หนึ่งหลาสะกล้าภายนอกแต่จิตใจมันเหี่ามันเหื็นขนาดไหนเ น, นี้ทางสมรภะสาิสารังมันก็น่ะสำรวจตั้งเองตัวเองเนี่ยสอนตัวเองฝึกฝนตัวเองเพื่อปฏิบัติให้เห็นความฝึกความสบายภายในก็จะหายสงสัยไม่มีอะไร จะเป็นเกลียก่อเกลนยดตัวเองอีกมี่คือความประสงค์ของพระพุทธเจ้ากับทุกคนเลต้องมีการลุ่มเลงมีการเดือดร้อนเพราะเรามันเคยในเรื่องของวิเลตปัญหามาพอเมือนต า, นาที่เคยอยู่ในน้ำพอเอาขึ้นเบ็ดนั่นก็ ยิ่งคนเป็นธรรมดาพระนันทาพระอนุชาน่องชายของก็ฏิเจ้าก็เหม้อนกันพอขอบไปบวชคิดถึงแต่งงานเป็นนกบวชแต่ลยายนจะเป็นอันาำอะไรจิตใจเหงายคิดจึงจะทาความผาปความเพี้ยนอะไรก็ทำไม่ได้เป็นพระองค์หาทางโศมานพาไปเที่ยวตามไห่ตาม พอเห็นนางดีนะก็มีเท่าเสียไหมกับนางเป็นกบุกัลยาณีใครเส่อกันโกรธเหตุพระองค์กว่าพระองค์ดีหนึ่ง่งทานําวดดีกับพกข้างมาเทียบกับนางเม็นนกบุกัลยาณีแต่พระเองเป็นผู้หญิงยุบมือเด็ดแต่ไปดูมาดีนางข้างนนก็มีเทก่อน จึงบเดินบันดาลให้เห็นบบนางเทพอักรบนสวรรค์เทว ด, ดาเป็นสิ่งที่สวย ง, งามมากเป็นปิดปากของมองนุษย์สิ่งมี่เาเคยเห็นและงามเหมือนเทว ด, ดาถั้าท่าที่เเคยเห็นเทวดาเป็นลืข่างเขาเคยเห็นนี่พระนันทะเขทาทำนองเดียวกันเคยเห็น นางเทวดาเห็นแต่นางสมบทกาลยานีเท่านั้นว่าสวยเด่นยิ่เศฐเกทุกคนในโลกไม่มีใครที่จะเทียบเท่าเที่ยงถึงยินดีจิตใจใครเชิดแต่เงยหยิบคนพอไปดูนงลีนีงข่อพระพุทธเจ้าอ่ะใช้เสียกักันแหละนางสนบทกัลยานีจึงมีการเสียแพ้ใครพอไปเห็นนางเสือสอนเทวดาเข้า เหมือนกันกับลีนข้างกับมนุสนางานเมงดกาลยานีไม่มีอะไรเสร็เมดน่้ม่มีอะไรที่จะติตใจอยากได้อีกยาได้แต่นาเคยวัดดานางฟ้าเท่านั้นพรพุทธเถาม่ะเพนไงนางเสอนเจวดากับนางเมืบดกาลยานีก็บอกว่าเหมือนกันกับนางลีนข้างอาได้เมือนจ้าดดาอยากได้อาได้ อีกเรืองพยายามโดยมีความภาวนาทำความเพียรแค่นั้เราจะเป็นตัวประกันให้ถ่ายทำความเพียรทางจิตทางใจจะมือหลังเนี่ยนางเพราดาเหล่านี้จะให้เป็นถ้ามาเหยียบสีขคุณให้ได้อ่าทําความเพียรพะทําความเพียรไปก็รดฟังมือหลังต่างใจอยากได้นางเทราดาคนนั้นเหยียดเอ๋ น ern, f, f, ill, Meaning, ันทะทำความเพียรเผื่อแดบเพียนนางเทวดาม่ใช่ทำความเพียรเผื่อไร้ที่เหลือคนนั้นใยอะคนนี้ยันจึงเป็นพระเดือดกันขั้งตัวสมเล็จได้แล้วได้เรื่องกิเลสของใจตัก่อนแล้วก็รักใครชอบพอนางสนมเดือดไกลานี่หมื่อยทุกนางเทวดาต่ล่อึ้นมได้ ในจิดใจยัยดีอะไรแต่ น, นม้คนบางคนยังนี้ไม่ชอบตกเทวดาจิตใจมันมายาวเรือเกินถ้าเห็นหญิงอื่นที่เสีย่าเทวดามันก็จะไม่ชอบอีกจิกอีกโดยจับผิดเป่จิตใจท้องตัวละอายใจไม่ไขคิตไปในทา ง, ทา ง, างตามอารมณฟังบอระวังจิต คิเลรณาอชิภาอชุภังพิจเจรณาธรรมะนหนาแนงเข้าไปในใจหลุดลอยออกไปสูดอารมณ์หายหน่อผลพิสิกก็ได้ดตัดสร้เป็นอรหรันต์เขาก็ไปจับทรงตั้งเอตตะทะว่ะาเป็นผู้ที่มียินทียสงอนคือคือระวังจิตใจดีเด่นกว่าทุกออ ทำตอบได้เราก็แค่จัได้เหมือนกันถ้าเราจะจับจิตขอจิตใจอย่งจิตใจเท่านั้นนมันทําให้คนเป็นทุกข์ทำให้คนรุ่มหลงทําให้คนเสียทจร้องไห้เสียใจต่าใจตง